ถังถมต่ออีกให้มันอุ่นอยู่เสมอจืดของราอันต้องนี่กรรมที่จะมีผลเราสวนเราเล่ปลูกอ้อยก็ได้อ้อย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 กรไม่มีไ ม, ไม่เป็นกตต ก, กรรมแต่กรรมที่ไม่มีผลชีวิตก็ปลีไปทั้งชาติเราก็มีอาชีพศีกษาได้ทำเป็นเรื่องเรื่องชีวิตชีวิตของเราได้จากทำชีวิตตอนหนึ่งได้จากเข้าบาาา้าน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 ก็ฟรีไปแล้วธาตุเราจึงมาไม่งานทำแบบนี้หรือบัรคมเป็นชีวิตที่เราต่อเอาชีวิตอันประเสริฐชีวิตความวิจาพ์วามวจาเจอกัดเกิาจาปเปียนความลายเป็นความดีเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ นี่คือชีวิตของม่จนบริสุทธิ์ไม่เปื้อเพื่อนถ้าสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์เปื่อนมันน่าจะขยันเปิดกอบเป็นกรรมขึ้นมาจริงๆไม่ฟรีไม่เป็นหมันถ้าใช่เป็นไม่เป็นหมันถ้าใช่ไม่เป็นก็เป็นหมันเฉยดฉลาดไปเปล่าๆมาให้เราศึกษา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 ล้วก็รับใช้พบชาติสวยมีกรรมมีวิบากมีกิเลสอยู่ในพบชาตินี้ไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักพอคนโกรธก็ไม่รู้จักอิม่มกนจนตายคนหลงก็ไม่รู้จักอิม่มคนทุกข์ก็ไม่รู้จักอิม่มไม่เห็นภยัยถ้าไม่มีสติมันก็จะหลงมากโตเรี่ยพืดคน ถ้าเกิดแบบนั้นเอกโอ้ปสมมติติเทพเกิดเป็นเทพขึ้นมาโอปติเทพเกิดเป็นเทพขึ้นมาบริสุทติเทพเกิดเป็นเทพขึ้นมาถ้าเกิดแบบนี้ก็มีอัน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 ในเปิดม่เพื่อนในความสุขในความทุกข์ถ้าสมมติเทพแล้วก็มีในโลกนี่เช่นถ้าเป็นสมมุติก็เช่นเจ้าพ่อพระกษัตริย์นี่เป็นสมมุติเทพเป็ น, เ, ปนเทพโดยสมมติบัญญยตดขึ้นมา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 ที่พอเพียงให้เกิดเทพขึ้นมามีหินลิมีความอ้ายต่อความชั่วกลัวต่อความลาปต่บอบดิสุทธิเทพหมายถึงพระรหรันที่ปฏิบัติธรรมขึ้นมาบดิสุทธิเทพเนี่ยพ ร, ร, ระลหันเป็นเทพถาวรไม่มีสมมติไม่มีบัญญัต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 เลี้ยงนู่นหวหมูแล้วก็อ้างกันเป็นผีของใครเวลาเขาหวนหวนปีใหม่ของเขาถูกต้องขารเขาจะเอาผีบ้ากันหลงข่วงหลงเล่นอ้อนลมถามกันมาจากไหนเวลามาสิงผีสิงเข้ามาเคยเห็นไหมเคยคิดไหมเฮ้ยเคยเห็นไหม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 มันโกรธห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธมันอะไรก็ทำไม่เป็นเรื่องบริสุทธิเทพมีอยู่ในหัวใจเอากายเอาใจนี้มาต่อยอดมันมีทำให้เราบริสุทธิ์มีสิ่งสปกปรกทำให้เราสะอาดใ้สิ่งที่ผิดทำเราเป็นสิ่งที่ถูกจะได้ประโยชน์ไม่เป็นหมันผมอาจารย์นี้ไม่เป็นหมัน เอาความบริสุทธิ์อยู่ในความจกปกจกปกที่ไหนบริสุทธิ์ที่นั่ น, น, นเรื่องการเรื่องใจเนี่ยบริสุจนบริสุทธิ์บริบูวู์ชื่นเชิงเหมือ ก, การเกิดเจ็บตายไปเลยนี่คือธรรม ไม่น่าจะยากภาวะที่ลูกว่าไม่น่าจะยากไม่ต้องครียเพียรไม่ต้องอ จ, จ้ำจี้อะไรมากมายเบาๆของมันเบาไปโหมเสียให้แรงมันก็เสียแรงไปเปล่าเหมือนของเงาแต่มันเป็นลูกใหญ่เราต้องว่าจะมันมันจะหนักเขาไปโหมแรง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 เอเียนมาปลกหลวงพ่อ oh. ก oh. ph ็หลวงพ่อเทียนก็ไปดูหลวงพ่อไปแบกเสาต้นหนังใหญ่หลวงพ่อเทียนร้องหวเอวจะหักมตไม่นักไม่นักบ้าอะไรเสาขนาดนี้ฮอา่าหลวงพ่อเทียนก็ไปเชื่อไม่นักจริงจรงหลวงพ่อมันเบาฮะอ๋อวางลงก็ ลำโพงเตียมันเบายังไงมันหนักใหญ่กระเด็นลำโพงเตียงมันเปลี่ยนไม่ได้อย่างไงเป็นไม่อะไรไม่โซ่ไม่โซ่เคยรู้จักไม่โซ่ไหมแต่บางเลยภาคเหนือมีไม่โซ่มันใหญ่แต่ว่าไม่หนักมันก็มีคนรภาพเป็นบ้านหลงขัวเก่าเกือบจะเป็นร้อยปีของเท่าคนเท่าคนแก่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 ถ้ามีหลงก็เป็นไปได้เป็นยากเสียแล้วเป็นผิดเสียแล้วเป็นถูกเสียแล้วเป็นได้เป็นไม่ได้แล้วเรามีความรู้อ๋ก็ไม่มียากไม่มีง่ายไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่เห็นเนี่ยมันจะยากจะง่ายถ้ามันผิดก็เห็น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 โมหาจริตเคยใช่ไหมหนาคาจริตเคยใช่ไหมเท่าไรอันพุท ธ, ธจริตเคยใช่ไหมไม่เคยใช่เลยพุท ธ, ธจริตรู้เตือนเบิกบานไม่เคยใช้ไปใช้โทสาจริตปิดคอบเอาไว้โมหาจริตปิดเอาไว้นาคาจริตปิดเอาไว้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 ตอนั้นจ ะ, นจะริญสติมันเของที่เปิดออกมันจึงจะเห็นเปิดได้ทุกอยาก่างหลงเปิดออกว่าไม่หลงก็มีทุกเปิดออกมาไม่ทุกก็มีโกรธ เ, เปิดออกมาไม่โกรธก็มีอยู่ทุกเปิดออกมาไม่ทุกก็มีอยู่สุขเปิดออกมาไม่สุข ก, ก็มีอยู่ เปิดไเปิดไปเปิดไ ป, ป, ดไปให้มันนายออกมาให้ดูสิว่ามันคืออะไรเลือกได้ชีวิตของเรามันเลือกได้เลือกได้เรียกว่ า, วาชนะปาจจารีพรถ้าไม่รู้จกเลือกไม่ดีว่าชลนะไม่มีปัจจารีเพราะไม่ดูทุกก็ไม่มีมมมมว่าชนะ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 แต่เปล่าเช้าเอาลูกสวยๆต้องเป็นหน้าผาไว <c> ้ <oughs> แต่ลูกไม่สวยเอาตั้งเป็นห้างหลังเอาเขียนครึ่งกิโลสิบบาทแต่เครือครึ่งตัวเล็ก ๆ, ๆนะเอาเขียนครึ่ง ก, ก, ก, ก, ก็กองสบบาทก็กองตัวใหญ่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 ถามถึงสุมอนทาแล้วเห็นอยู่ในถ้ำเสินไฉบังคับไม่กลับบ้านจุมนทายังรอให้พี่ยักษอ์อากดพี่ยักษ์ไปหาฉินจะไม่กลับสินไฉก็บอกว่าไม่ได้รอไม่ได้ไปตัวนี้ไม่ไปดับฝันขอขาดจนะังจุมนทาเขายอมไป ไปแล้วไม่กี่เช่นกี่ว่าคืนลืมเอานนอนคืนไปเอาเชนหนอยก่อนปจใจต้องพาคืนมาเก็บนอนเก็บนี่ไปไปมันฉินสมวนทาจังหวังยักษ์ขุมพันอยู่พี่ยักษ์เขาอยู่ว่าให้พี่ยักษ์หลอกาัามยังไม่ได้สั่งอะไรฉินใช้บอกว่าไม่ได้ไป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 เข้าสนามก่อนลูกสอนถูกนิดหน่อยสู้บางที่ทุกสอนถูกนิดหน่อยไปสูก้กลัวแล้วกับบาล น, นักล้มบางประเภทลูกสอนถูกไม่กลัวจนตายในสนามนี่ก็มีนักโลกพิกศวางโลก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 ของพ่อจัลันพูดกันนะนะไอ้ที่มันเจ็บมันปวดมันเป็นอาการของนะลูกนะหลวงพ่อจะไม่เจ็บไม่ปวดนะหลวงพ่อจัลันรู้แล้วนะรู้แลดวรู้แล้วนะอืมนี่คือลูกที่มันเป็นอาการทําไม่มีเราเห็นเป็นอาการไม่ใช่เป็น จบเป็นทุกข์นะพระเนนพระนั่งเผ้าดูก็ก็ร้องหอบร้องให้กังวลไม่ใช่เสียงพรอจันรันนะเนี่เป็นอาการของกายของลูกแล้วพ่อจันไม่อยู่ตรงนี้นะจูงพ่อจันไปขอพอกันตามไปอ๋อพูดไปพูดไปแล้วก็ต่อเหลือขึ้นนะ ลพ่อกับมือไปล้ตาลงตั้งสติดีนะหลวงพ่อนะเงียบไนะเหลือขึ้นมาอีหลวงพ่อกับมือรูบลองอสุดท้านี่น้อยคิดนะโอ้ใ่หูคออน่ะนะอนี่อฮ่า่า้นสตนไหนคิดเรานะฮ่ามพ อ้ามโยมร้องให้เด็ดขาดหลวงพ่อจะร้านสอนเราก็ให้ร้องให้นะอยู่นิ่งๆกันแล้วก็ช่วยกันอ้าแล้วก็ปิดตาปิดปากเรียบร้อยแต่งหน้าแต่งตาประมาณห้านาทีาทหน้าคอนใจขาดเราแต่งหน้าลูกไว้ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเคยผวดหน้ามันหิวเรือบโอ้แต่งแต่งปิดตาลง ปิดปากยิมย้มๆนิดหน่อยแต่ข้างหน้าทีมันก็หยุดอยู่แต่บางคนในปล่อยกันนอนหน้าปะลูกมันไปไหนหมดนะพ่อแม่ไปหนดทาไมยึงปล่อยให้กันตายแบบนั้นมันทําได้มันอยู่่ะแต่งหน้าเวลาคนใจขาดมันใจสวยนะไอ้หวังก็มี่อการเช่นนี้